ข้อที่หนึ่งชันทะที่เป็นตันหาชันทะนั้นท่านใช้เป็นไวยพ์คำหนึ่งของตันหาเช่นเดียวกับราคะและโลภะเป็นต้นชันทะประเภทนี้ในบาลีมีใช้มากมายที่คุณตากันมากคือในคำว่ากามมาชันทะซึ่งเป็นข้อแรกในนิวรห้ากามฉันทะนี้ท่านว่าได้เกี่ยวกามตันหานั่นเอง คำว่าตันหาฉันทะกัตุกรรมยตาฉันทะและกุศลธรรมฉันทะตามปกติเป็นเพียงคำสำหรับใช้อธิบายโดยมากใช้ในอัธกถาว่าฉันทะในกรณีนั้นๆเป็นฉันทะประเภทใดในบาลีใช้เพียงว่าฉันทะผู้ศึกษาจะต้องกำหนดแยกเอาเอง วัยพธของตัณหานอกจากฉันทะราคะและโลภะมีอีกหลายคำเช่นอนุไนนันทิอิจฉามายาปนิธิสินเนะหเนะโดยเสนหะอาสาอภิชาและอื่นๆสำหรับกามฉันทะแปลว่าความพอใจหรือความอยากในกามหรือแปลว่า ฉันทะคือความใคร่ก็ได้ฉันทะนี้บางแห่งมาด้วยกันกับไวยพจน์ทั้งหลายเป็นกลุ่มเช่นในพุทธพจน์ว่าฉันทะราคะนันทิตันหาอุปาทานใดๆในจักรสุในรูปในจักขุวิญญาณในธรรมะทั้งหลายที่พึงทราบด้วยจักขุวิญญาณในที่นี้ รวมในหมวดอายตนาอื่นครบทั้งหกรอสลัดทิ้งได้ซึ่งฉันทะเป็นต้นเหล่านั้นเราย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วโดยทั่วไปท่านถือว่าฉันทะราคะนันทิตันหาเป็นไวยพธกันมีความหมายตรงกันแต่ในบางกรณีที่ต้องให้เห็นความต่าง ท่นานอธิบายความแตกต่างนั้นในแง่ของระดับความรุนแรงเช่นความต่างระหว่างฉันทะกับราคะและฉันทราคะว่าฉันทะคือราคะที่มีกําลังน้อยบ้างฉันทะคือตันหาที่ยังอ่อนกําลังแต่เมื่อเกิดบ่อยๆกลายเป็นตันหาที่แรงก็เป็นราคาบ้าง โลภะที่มีกำลังน้อยเป็นชันทะเมื่อมีกำลังแรงขึ้นไปอีกทำให้ติดได้เป็นราคะเมื่อมีกำลังเพิ่มขึ้นไปกว่านั้นอีกกลายเป็นราคะายังหนาจัดเป็นชันทราคะบ้างชันทะนี้บังแห่งมาด้วยกันกับไวยพ์ทั้งหลายเป็นกลุ่มแต่ส่วนมากมาลำพังโด ด, โ ด, ด ถึงกระนั้นก็สังเกตไม่ยากว่ามีความหมายเท่ากับตัญหาเพราะถ้าเอาคำว่าตัญหาใส่ลงไปแทนที่ฉันทะในกรณีนั้นๆก็จะได้ความเหมือนกันเช่นฉันทะในภพฉันทะในการมคุณทั้งหลายฉันทะในกายฉันทะในเมถุนฉันทะในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นอัตตาคือรูปเวทนาเป็นต้นและเสียงกลิ่นรสเป็นต้น ในคำว่าฉันทาในภพพึงเทียบกับกามฉันทะเท่ากับกามตัณหาภวะฉันทะนี้ก็ย่อมตรงกับภวะตัณหาที่สร้างรูปเป็นศัพท์เฉพาะอย่างเดียวกับตัณหาก็มีเช่นรูปฉันทะสัทธะฉันทะคันทะฉันทะรัศฉันทะโพธพะฉันทะ และธรรมชนทะพึงสังเกตด้วยว่าคำว่าธรรมชนทะในกรณีนี้หมายถึงอย่างในธรรมารมคือสิ่งที่ใจคิดเป็นคนละอย่างกับธรรมชนทะในข้อที่สามแม้แต่ชันทในคนก็มีซึ่งก็หมายถึงความรักใคร่หรือความมีใจผูกพันนั่นเอง ดังจะเห็นได้ชัดในคันทะพกสูตรตรัสถึงชันทะาในบุตรและภรรยาซึ่งในสูตรนี้ชันทะมาด้วยกันกับราคาและเปรมะคือความรักและในสูตรเดียวกันนี้ตรัสว่าชันทะเป็นมูลแห่งทุกขตรงกับที่ตรัสในอริยศัสตร์ข้อที่สองว่าตัณหาเป็นสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุก